แนนใส่กิ่บันบ่ฟังและจำได้นำไปวอกซื้อคันฟังแล้วจำไปวอกซือนั้นโบเประโยชน์ได้ประโยชน์น้อยค่ายๆคือเขาอศึกษาเรียนหลักสูตรนักธรรมสันติสันโทสันเทพเรือว่าเรียนมหารเรียนโลก ประยกต่ามพยกซื่นเประโยน์เข้าก็ตากเพียงจะจมได้ทองได้อยู่หน้านั้นหน้านี้บทนั้นบทนี้จันได้สื่อขัดโบออกมาปฏิบัติกะได้ประโยชน์น้อยคล้ายๆคือเขามีเข้าสุขแก่เขาบบกินเข้าสุกมมีแต่ว่าหูเข้าวหูเข้าว มือข้าวแต่เข้ามือเขามีอยู่ในกับมือเขาเขาบุกินมันก็บุมีประโยชน์เนี่ยกับการวาหิ้เขาถ้าห้าว่ า, าบววาหิ้เขาเขากินลถบปเดยวอันนี้เป็นเข า, าเขากินขนมมันอทองมันเป็นการทองบนสาทยายอย่างเอาสวดมันดีแล้วแต่เอาฝังอย่างที่เขาสวดพุกทธังสารนางพัฒนานี้ ข้าพระเจ้าถือเอาพระกรเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกำจัดไทยได้จริงฮันเฮกคืออย่างพระกรเจ้านั้นกำจัดทุกกำจัดไทได้จริงทำมังสารนังขจามี้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกกำจัดไทยได้จริงกำจัดได้จริงจถ้ า, าเขาเซตาา สังคังสลัลนังคาถามิ้าพระเจ้าถือเอาพระส่งเป็นสลันะเป็นที่พึ่งกรรมจะทุกข์กําจัะไทยได้จริงนะปัตทุกติยมติถาติยมสิ ข, งส ข, งสขงังที่หนึ่งที่สองที่สามเอาวางถ้าเขาเวางซื้อใ้ค่ายคือเขามีเขาเ้าแล้วเขาบุกิน ว่าใจหิวเขา้าหิวเข้าอะไรแบบนีบเนาวาวา้เทาเว้าเทาทั้งสวดทั้งจมแลกก้วห่อไปเลยปฏิบัติคล้ายๆตัวห่อมือเข้ายู่ในกับมือเขาอยากก็กินโลดอิมด่มเลยตัวอเขาเป็นแบงนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเพิ่งสอนนะสอนมัตสุคนพระสงฆ์ก็สอนอย่างเดียวนั้น นเนนก็สอนอย่างเดียวนั้นญาติโยมผู้หญิงผู้ชายก็สอนอย่างเดียวกันะ ผ, ผ, ผู้น้อยผู้ใหญ่ก็สอนอย่างเดียวกันนะไม่ว่าจะเฉพาะคนถือศาสนาคนถือศาสนาใดก็ศึกษาได้คําสอนของพระเจ้านี่ยเป็นสั่งกลางบ่ได้เป็นของใครทั้งนั้เป็นของสําหรับบุคคลผู้ที่มีปัญญา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 จิตใจของเขากระบดทุกซิ่งที่มือบอดเมือห่อหุออ้มอวพารนะิศามุมมาปกปุมได้เราเรียกว่าเขาทําลายโมหะได้ถ้าห้าเขาทําลายโมหะโมดได้กระบดพาริศาหุห้มหอออ่อห่อห้อมจิตใจเขาเ่เป็นุกเมื่อจทุกเท่านั้นเกิดขึ้นเมื่อจทุกเท่านั้นตั้งอยู่ มีแต่ทุกคนดับไปกั็นวาระข่ ง, ง, ง, ง เ, เจ้าเป็นวา ก, การศึกษาเล่าเรียนนั้นดีแล้วการให้ทานรักษาจิตนั้นดีแล้วการทำกรรมฐานกอดีแล้วการเจริญได้ปัสสาก็อดีแล้วดีมัดทุกอย่างถ้าหากบเกิดปัญญาแลดวสิ่งนั้นอย่างวันเดียวกดีมันเพียงดีใหต้ตามต า, มากันมาก็คือพอแม่ปู่ย่าตายายเอาสอนกันมา จดจำมาซื้อทำตามกันมาซื้อเบิมีการเล่งรัดพัฒนาหีือยังเบิมีการเล่งรัดพัฒนาแล้วมังกรเ บ, บิมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจิตใจเมื่อเรามีการเล่งรัดพัฒนาตัวเรามั่นมีการเปลี่ยนแปลงตัวเราไปเล้วดังนั้นธรรมะเลว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบ มันเป็นคำเดียวกันธรรมะอันธรรมมากกบแปลว่าธรรมดีพระพุทธเจ้าก็แปลว่าผู้รู้แจ้งรู้จริงคําว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบก็จิตใจบบเศร้ามองเป็นวันนี้ครับถ้าหากเขาเพียงว่าตั้งแต่ว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบบเต้ามองคําว่าซื่อจิตใจเขายังเต้าหมองอยู่ก่ ขายขายือว่าเหาะวาซื้อหิวข้าวหิวข้าวแกบวกินตะเกีือเนี่ยมันโบได้ประโยชน์่นะการพูดกับการทํานั้นจริงโบคือกันการกระทํานี่ยทาให้มันรู้โบไม่อยากรู้ทําซื่อๆทําซื่อๆทําเนี่ยทําซื่อๆเขาจิ้พูดจักว่าอ่นมันเป็นซื่อๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรเขาจิ้มพูดจัง่าเนี่ยธรรมะนี่ว่าเป็นธรรมะ อันธรรมะที่ทําให้คนเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีมดทุกคลโบยกเวทถ้างะว่าผู้ใดทําลายข่มหลงผิดนั้นได้กาถือว่าเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าผู้ใดทําลายข่มมืดข่มบอดข่มลงหรือโมหะนั้นโมได้การแม่จะอยูใ่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ห่างไกลจากพระพุทธเจ้า คออนะือยังพระวรกายยุ่ยไปพระพุทธเจ้าแต่ทําลายคมลงผิดโมได้ทาลายโมหะโมได้กรยุ่ไกลกับพระพุทธเจ้าก็เมื่อทําลายคมลงผิดทําลายโมหะได้เมื่อใดจะอยู่ไกลพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้านั่นคือว่ามีอยู่ทุกยุกทุกสมัยยู่ตามเม็ดหินเม็ดทรายยู่ตามต้นไม้ภูเขา ยู่ใส่กับสังถ้าห้ากว่ามีคนประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมวินัยอยู่แล้วอันมักผลนิพพานนั้นพอบวางจากโลกนี้เป็นวันและหา้าพิกษูพิกษุนีอุบาสกมุติกายู่โดยสอบอยู่โดยคนสงุบแล้วพ ร, ร, ระอรหันต์ขบะวางจากโลกนี้ถ้าห้าเขาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยยู่ มรคนี่ผ่านปรากฏเกิดขึ้นบนในป่าจือใน น, น้ําน๊ะให้แสดงว่าปัญญาเกิดขึ้นให้เขารู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงคือว่าเขาได้ดำรงวงสกุลทำให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นมั่นคงขึ้นต่อไปตัวลูกตัวหลานตัวเล็งตัวหลอดส้นไป ถ้าหากเขาว่าซื้อๆแล้วเขาได้ประโยชน์เท่าที่ควรลูกหลานเขาจะจิตซื่อเอาบโเป็นเลรนรอดต่อไปสุดท้ายภายหลังเขาะจิตซื่อเอาโเป็นโบผู้จากนี้โบผู้จากวิสิกิจซื่อตอนนี้โบไม่ทาให้พุทธาศาสาน า, ศ า, ศาสนจเจริญถ้าหากเขาโยนโดยสอบพระอรหันต์ก็บรรวางจากโลกนี้ อันนี้กระซื้อว่าเขาได้ทำบุญคาขอพระอราหันต์ให้เกิดขึ้นกระซื้อว่าเขาได้ดำลงวงสกุลทําให้พุทธศาสนาจเจริญบนนี้ เ, เขาเข้ามาบวชนามานุ่งเหลืองห้มเหลืองแล้วทําให้พุทธศาสนาจเจริญแมนอันนั้นแต่มันแมนแบก บ, บ๊วยแมนทําในเกี่องแบก บ, บ, บว๊วแมนยังเห็ุผิดอยู่ทําผู้ผิดคิดผิดอยู่ มันจิเจริญยังไงถ้าเขาไม่ได้บวกษาตำตางถ้าเขาปฏิบัติทุกต้องความทุกข์บกเกิดขึ้นตัวเขาและวงสังคมของพวกเขาแล้วกับแสดงว่าเขาได้ทำให้พุทธศาสนาเจริญให้ลูกให้หลานให้หล่นให้รอดต่อไปเขาจะได้เห็นใจโหะทำอย่างนั้น มันจะแก้ปัญหาอันตนันได้ทำอย่างนั้นมันแก้ปัญหาอัน น, นได้เพื่อนสอนอย่างกานพระพุทธเจ้าเขาเคยได้ยินได้ฟังมาจนได้สมาบัตแตกอันนั้นก็แก้ปัญหาตัวเองบ่ได้แก้การขัดแย้งต่อตัวเองบ่ได้กระสือว่าบเมพุทธศาสนาสมัยนี้มีครูบาใายซสอนอกันการหลายแต่นั่งภาวนาฟุทโพ หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสัมมาอะระหังนับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามลืมพองยุกอาณาปานาสติดีทั้งนั้นโมเสมันบูดีได้ดีทั้งนั้นถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองได้ถา้าแก้ปัญหาตัวเองบอ่ได้ให้ทานไปัญบปญบุนทุกรักษปฏิไัติปับญทุกภาวนาพุทโธหายใจเขา้าหายใจออก นับหนึ่งสองสามสัมมา阿拉หังหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมละเอียดเลือว่ า, านาป า, ออานัสสิก็ยังบวทผิดูกเพราะมันแก้ปัญหาตัวเองบดชได้เพิ่นให้แก้ปัญหาตัวเองของเอาทีเดียวแล้วก็รู้จักคนหอาทุกคนรู้จักดีรู้จักตัวรู้จักผิดรู้จักผูกทำไมจึงรู้จักกว่า บ้รู้จักตีของเขาเพราะาเนี่ยพ่อเขาบอเคยศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของเขาเขาไปศึกษาได้าหรับตาราเบิง้งแท่ผู้บาอาจารย์พุ่นบดได้เบิ้งสิตเบิ้งใจเขาอายุเก้าปีสิบปีบางคนตายไปบางคนเกิดขึ้นมาลอดจากท้องแม่ออกมาสัววินณทีเดียตายไปก็่ปีบางคนเป็นนุ่มเป็นสาวอายุสิบแปดสิบเก้าปีตายไปกี่มี บางคนเป็นพ่อบ้านแม่เหือนอายุยี่สิบสามสิบปีตายไปก็นี้บางคนอายุสี่สิบปีห้าสิบปีตายไปคนนี้บางทีอายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตายเน่าเขา้าหลเมบ่เคยหูจักว่าชีวิตโตบ่เคยหูจกักจิตใจของตัวเป็นอย่างเกิดมาเสียสายเสียควมเป็นคนเยียดเทนดินนะกินเขา้าเสียเขา้า กินปลาเสียปลากินเนื้อเสียเนื้อหนุงเสื้อหนุ่งผ้าเสียประโยชน์บ่มีคาบ่มีคนไม่ยัง่งคนตัวขชีวิตเป็นมันชีวิตเป็นโมฆะเป็นวายร้ายพระพุทธเจ้าเป็สอนเอาไปคนเกิดมาเมื่อเดียวนึงวันนี้รู้จักชีวิตตัวเองรู้จักจิตใจตัวเองดีกล่วมีประโยชน์กลัวบุคคุณที่เกิดมาร้อยปีนะเป็นวายร้าย ทำไม่คิด ว, ว่าดีเลยเพราะชีวิตบ่าเปลนทุกจิตใจบ่าเปล่นทุกเห็นจิตเห็นใจตัวเองเห็นชีวิตตัวเองนั่ น, นเพื่นว่ามีประโยชน์บวชมาร้อยปีก็ต่างๆเพื่นว่าถ้าบวเห็นชีวิตบวเห็นจิตบวเห็นใจตัวเองคุณค่าของการบวชนั้นผมมีประโยชน์ไหมยังเพื่นว่าเป็นโมฆะเพื่อนว่าคำว่าโมฆะก็หมายถึงว่าใส่โบได้ัดนเอง มีรประโยชน์คุณค่าการบวชมีประโยชน์ผู้บวชข้ามามือเดียวหนึ่งเพียงจะเอาเม็ดแผลวางใส่หัวขันผมคาดเขาไปรู้จักชีวิตตัวเองรู้จักจิตใจตัวเองดีพวกผู้บวช อ, อยู่ร้อยพรรษาพรเจ้าเป็นวานนะะั่นเองเมื่อรู้จักอันนี้แหละข้าวิีรู้จักว่าเป็นครั้งสุดท้ายข้าวจีรู้จักครั้งสุดท้าย เมื่อเฮาหูจักอันนี้และของหูจักครั้งสุดท้ายหู้จักครั้งสุดท้ายสกอนหูจักอาการเสื่จับตัวนี้สกอนจรงจะหู้จักว่าประโยชน์คุณค่าอันนี้และชีวิตของเฮาจรงจะมีอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ว่าสิ่งนั้นยังบนนงม่ได้ทำหน้าที่ของมั น, มนเพราะว่าเขาบ่ได้ให้มันทําหน้าที่ของมันนี่มันก็เลยโบรูทําไมจึงว่าโบให้มันทําหน้าที่ของมัน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 ได้คิดรู้จักตัวเองได้อย่างไรตัวเองว่าเห็นตัวเองเมื่อบรรู้จักตัวเองที่เป็นคนได้อย่างไรมันก็บอกเป็นคนแหละมันก็เป็นคนแค่รูปร่างหน้าตาแขงขามือเท้าเท่านั้นจิตใจว่าเป็นคนนะครับเพราะมันคิดไปทั่วที่เขาเดนไปเนี่ยถ้าหากว่าเขาเห็นจิตเห็นใจเขาแขงขาหน้าตามือเท้าเขาก็เป็นคนจิตใจเขาก็เป็นคนหนี่ง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 แข้งขาหน้าตามือเทนะ้าจิตใจวนใ่นวายคนจนะิตใจยังเลวสามจำซาปัญญายัางนาแน่นคนอ่อนปัญญาอ่อนผมคิดเพื่อนว่นาจะ่ำไงอันทำ ม, มาทำให้รู้สึกตัวการเคลื่อนไหวยกมือไปเอามือมาเหลี่ยวหน้าเลียวหลังอันนี้ทำให้เกิดปัญญาเพื่อนว่า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 ตำรามันมีแน่นคำว่าเว่าคำว่าจักรการเคลื่อนไหวโดยวิธีแต่ก็ให้เขารู้ให้เหารู้สึกตัวเหาจริงๆมันคิดเหากับให้รู้มันคิดหให้เหาก็ให้รู้มันคิดดีออกไปวัดจะมันคิดให้ว่าจะไปมันปรากฏการเรื่องใดขึ้นมาให้เหารู้ให้เหาเมื่อเหาเห็นเขารู้แล้วข่วงที่มันทูกขุดทันทีเพราะยังมาทุกต้องกําหนดรู้ สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทําให้แก้เป็นวายทุกต้องกำหนดรู้ก็กําหนดตัวเคลื่อนตัวไหวนีิบุมันเป็นตัวทุกสมุทัยต้องละขณามาหูจักตัวเคลื่อนตัวไหวที่โตเนิบโตเกิดมันก็เสาโรดเปนวาอันนี้เขาบุญหูจักตัวเคลื่อนโตไหวที่มัเนินไปนะผมคิดอันโตผมคิดเฉพาเรื่องนตัวสมุทัย มันละโบได้พวกเขาเข้าเปในหัวคิดแล้วนะเพื่อนว่าอันนัเพือนรู้คิดรู้แล้วเข้าไปในหัวมีคิดมันเลยปรุงเลยแกล้งเพื่อนรู้คิดบบเห็นคิดบบเห็นคิดเห็นใจคิดบบเห็นชีวิตของตัวเองเพื่อนว่ามันเข้าไปในหัวคิดเพื่อนว่าเอินเป็นว่านิปสนุปกิเลสเพื่นว่าสัตมันละโบได้เพ ah ื <cat> ่นเอิญว่านิปัสนุ มักต้องเจริญแบบนี้มักต้องเจริญต้องเบื้งการเคลื่อนไหวเขาทําอยู่บ่อยๆนั่งก็ทํานอนก็ทำย่างก็ทํำยืนก็ทําให้รู้สึกตัวกินข้าวกินน้าก็รู้สึกตัวเข้าห้องน้ำห้องตูวมก็รู้สึกตั ว, ต ว, ตวควมรู้สึกตัวนังคือว่าเอามักเขาบอมักหอม ก, ขขอกระโบลูแล้วกระโบสิทธนนะ์มักต้องเจริญความเจริญนั่นเพื่อนว่าทําให้มา ทำโบยุดโบเสาร์การงานย่นงใดก็ทําอยู่กับการกับงานณบยุดโนเสาร์นี่โลดทําให้แจ้งมดมันกินรูปไปถึงที่สุดของทุกสภาพรูปนี่มันก็จะคาดจากออกซึ่งที่มันเคยติดพันนั้นสภาพจิตใจนั้นมันก็จะขาดออกจากกันซึ่งที่ฝุ่แป้งนั้นมันจึคาดช่วงออกจากกัาศมือนมันคาดออกจากกันเราจิจัดมา ดึงให้มันติดกันคือมันบูติดกันเพราะมันขาดแล้วเพื้อขาดในหอ้องจับชนนั้นชนนี้มาดึงแตกันมาต่อกันต่อบไดายที่คันท่าเขาแก้หลักนั้นมาต่อตรงการนี่ดึงไปบดถึงหลักนั้นเองทินแล้วมาแก้หลักนี้มาถึงตรงการแล้วคู่ดถึงสองตอนในทินแล้วเพื่อจะว่ามันขาดแล้วหมดแล้วเพื่อจะว่าสิ้นแล้ว ผมว่าจันยุบจุบแล้วคิดเอื่อหึงไม่มีเพราะมันขาดเห็นมันขาดคุณเน๊ะบ่แม่เขาจีไป๋หู้มันขาดแล้วเน๊ะหู้ซื่อๆนะบ่แมนอันหู้ซื่อๆนั้นมันเป็นขุมลูกของอวิชชาตั้งหากเน๊ะมันเป็นขุมลูกของวิปัสสนามันเป็นขุมลูกของจินตยานมันเป็นขุมลูกของวิปลาสต่อเขาเห็นเมื่อมันขาดต่วงกันปุ๊บ มันสิดยืดเมื่อทางเนื้อทังตัวเขานี่แหละความจิงพระจ้าโอสภาพชีวิตจิตใจของคนต้องเป็ น, น, อ, น อ, อย่างนี้คือการเมดคือญาติพระพุทธเจ้าคนวาสัตว์ทั้งหลายคือเราสัทาคตเนี่คือการเมื่อสุขผลเมื่อบุหัวจักก็ต้องทําไปเฮ็ดไปเมื่อหัวจักแล้วก็เป็นเช่กันศัตย์ทั้งหลายเหมือนเราสัทาคตเหมือนกัน ผู้หญิงผู้ชายเสมือนกันผิดกันตั้งแต่อวัยวะเพศ น, นันีองคือแตเรื่องจิตเรื่องใจนั่นคือกันมัดทัตทั้งหลายเป็นตถาคตต่อเมื่อเห็นขาดช่วงส่รมาเป็นได้กันเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าจึงสอนเอาไว้ครั้งสุดท้ายครั้งที่สนี่ว่าทัตทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตาตาคนนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตาตาคนนี้เป็นรู้เห็นเข้าใจบ น, มนไม่ไปทล้องไปสวดไปบ่นเนละ้เพิ่นว่าให้ปฏิบนะัติเอาเลยเพิ่นว่าให้ให้คือเพิ่นนั้นเนละ้เพิ่นเให้ยังไงเอากระหู้จกนะักเนี่ยตำหลับตำลาต้องกระ บ, บอกไวนะ้นี่ยพระภูริเจ้าน่ยหน้าที่ให้ยังนั้น เวลานั้นเหตุยังทำคนคนบอกไว้เลยนี่เขาบวได้เห็ุยังทำได้ดีดีเนี่ยเขาเหตุน้อยเขาเนี่ยเหตดน้อยอยู่มันจึงบวชเป็นเมื่อเหมันบวเป็นก็ต้องทําไปให้มันเหมือนเป็นแต่มันต้องเป็น ถ, ถ้าเขาทําผูกถ้าทำบุญผูกจะทำจากสิบปีแล้บวเป็นเพื่อนบอกไว้แล้วในหลักสูตรธรรมวิจารณ์ถ้าผู้ใดจเจริญสติปัฏฐานที่อย่างถูกต้อง ทุกต้องแนวของคนเจ้าวาคเนเด้กมันเป็นทุกต้องของคิดเอาผู้เดียวเด้ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโตคำว่าติตต่อกันเหมือนลูกโตนี่หมายถึงว่าการทำบวชขาดตัวบวชขาดสายนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำย่างก็ทำกินข้าวกินน้ำก็ท ำ, เ ข, นนทำเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ทำให้ว่าการงานทุกสิ่งทุกอย่างให้เอาเขินน้อยให้เหา่าวรูมาเปนเอิ้น ต่อกับตุลูกโตมันบวชขาดขาดน้อยเอาเลยย่างนานบวเกินเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนย่างไวที่สุดนับตั้งแต่ห น, น, น, นึ่งวันถึงเจ็ดวันรุดสิบห้าวันมีอเนกทรงจองประกาศสันวายพระเพื่อทำหนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้ถ้าหากบ่ได้เป็นพระอรหันต์เขาต้องเป็นพระอนาคามีอันนี้แหละเพื่ออยู่โดยสอบ ดู้โดยชอก็คือบบลงตนโบลืมโตนั่นแหละนี้อื่นอยินดีชอบคันลงต้นลืมโตไปเบิ้งแต่ผู้อื่นไปเห็นแต่คนผิดของผู้อื่นมันมากเกินไปก็เป็นคนลงตนลืมโตแล้วก็อบอกเข้าใจแล้วเป็นอะไรอย่างนั้นนั่งอยู่อยู่นี่นี่ฟังผมว่าอยู่นี้นจิตใจอันหลักสนะนี่เนี่ยมันมียุทุกคนอยู่ในนี้แกซิ้นนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ของมันที่ว่า งานปัญญาจงบกเกิดงานปัญญาบกเกิลใช่ครับต่อเมื่อเขาทำโทกจังหวะมันเงานปัญญาเกิดขึ้นเปว่าะเอิญใหญ่ใหญ่เผื่อเอิญมหางานศาสนามหางานเผื่อวางเลยมหางานเหรอวาสอีกหน้างานเผื่อวางเผื่อวาศาสนาพุตแท้ๆเป็นงานใหญ่ที่สุดยอดเป็นศาสนามหางานถ้างานบกเกิลขึ้นกั สแสดงว่าเรายัางบุษันมีญาณญาณอันนี้บอกไม่ว่าจริงญาณแล้วึื อ, อย่างขาจ้าว่ากันนั้นญาณเข้าไปรู้จย่าง่อนเด็กบอมีมันทําหน้าที่ของมันแล้วนั่นแหละคือว่าญาณเกิดขึ้นบวมแหวนญาณนั่นอื่นไกลไปดอกมันทําหน้าที่ของมันตัววิญญาณ น, นั่นแหละมันทําหน้าที่ของมันเรียกว่าเป็ น, านญาณแย่ที่สุดเป็นปัญญาอันใหญ่หดวงที่สุด คนเอื้นมหาญานเป็นว่าอย่างนั้นแล้วเอื้นศาสนามหายานมันมีไปทางญี่ปุ่นทางพวกจีนพวกในพวกเกาหลีเกาหลีที่เราคนรู้จักมุ น, นั้นศาสนามหายานมันไปทางฝุ่นมาทางเขานี่มันเป็นหินใหญ่เป็นาทางสารตรงาแต่ว่าศาสนามาทางเขาที่แบคนโลน้อย อ่านหนังสือฟังเรื่องมหันยานแล้วก็บอกเคยเข้าใจถ้านั่นจริงว่าบ่ได้หมายถึงผู้หญิงบ่ได้หมายถึงผู้ชาย <c oughs> สมัยหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อไปว่าให้พระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าขนัะแห่อายุโบ้ถึงยี่สิบปีมันกี่เป็นพระได้ยังไงเลยนะขจรวานโ บ, บ้โบ้ได้เลอ้าผมได้ยินหนังสือว่าอายุเจ็ดปีนึ่ปนเป็นพระได้แน่มันโ <c oughs> บแมน่น อ น, นันตแสดงว่าบุหุจักกันมวดสิ่งเขาของญาติขโหนยมเป็นเจ้าคณะแขกตา่างๆนี่บุหุจักอ่านหนังสือ น, น้อยเกินไปและการปฏิบัติน้อยเกินไปปฏิบัติตามแบบพ่อแม่สอนมานเขาเอิญศาสนาประเฮนี้นะยังบม่ได้มีการพัฒนาตัวเองต้องมีการพัฒนาตัวเองเขาพวกเขามาอยู่ที่นี่พยายามฝึกสอนตัวเขา พยาผู้อื่นว่าให้เขาหลับกว่าให้ฟังทันทีแล้วก็เดียวผิดกระร้างผู้กระตามผู้ก็เป็นเรื่องของเขาผิดก็เป็นเรื่องของเขาผู้หั้นปไปจะนาชวีวาสื่อนี้เขาว่าเองได้ว่าถุว่าผิดะโอ้ถูกแล้วเขาก็ว่าเองผิดแล้วเขาก็ว่าเองอันจบมันว่าเองได้ผู้ใดว่าไม่ใจเขาว่าบาเรื่องปัญญาว่าเบาเรื่องวิญญาณว่า นี่ละป็วาการขัดแย้งมีอยู่ที่ตัวของเขาบ่มีการขัดแย้งอยู่คนอื่นอยู่ที่ตัวของเขาเองเขาเองเป็นคนว่าอันพวกอื่นนะั่นคื อ, อยังผมว่าในี่ยผมว่าตามเรื่องของผมบางคนอาจวีวผิดก็เพิ่นขัดแย้งกับความมีของเพิ่นคุ่นนี้ผมก็ว่าตามเรื่องของผมต่างหากที่คือยังว่าการปฏิบัติธรร ม, รรมะสิมาแ ก, ก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเองให้มาใครที่ว่าท่านก็ตามท่าน เขาต้องเบิ้งจิตเบิ้งใจแบมึงว่ามันขัดแย้งมันบุธุเป็นเพราะยังต้องเหตุโนดอย่างเดียวทใจของมันก็ลุดปุไปโลดมันว่าเอามาต่อมาติดมีงั้นเพราะม่ได้ทำหน้าที่ของมันเนี่ยถ้าหากว่าเขาคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันติดปุ๊บูปั๊บมันติดปุ๊บูปั๊บมันติดปุ๊บนูปั๊บมันมดทันปูงกับเธอเนี่ยเมื่อบรรดมันมดหันปูงแือเสี่ย ให้เอาขยับเขาขยับเขาบุแม่ขยับยางเข้าไปเลยความคิดของเขาโตรู้สึกตัวนี้มันวิไวเขาไวเขาไวเขาโตวิญญาณกับว่าได้โตปัญญากับว่าเมื่อมันถึงที่สุดของมันงานปัญญาก็เกิดขึ้นเดียวมาหันมาเป็นญาณอันใหญ่หลวงที่สุดสามารถมองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างบุญแม่ตาเห็นใจมันเห็นใจมันฟู ใจมันเข้าใจเพราะมันขาดมันหมดเมื่อมันหมดแล้วกรรมมันกระยดกซือต่างคนอ้ามันบวขาดมันบวมหมดเนี่ยมันก็มีการปูงการแตกเมื่อมันมีการปูงการแตกออกกับพยายามจัดการมัอนไาย่ามันปูงมาย่ามันแตกมาแล้วนั่นเข้ามาฝึกขัดโตเขาทําการทํางานกระเบื้งน้อย่าไปคุยกันมากถ้าคุยกันมากมันจะหาคมคุยกับคน เขาเลยไ่ได้เบิกติดเบิกใจถ้าหากเขาทําการทํางานทําซื่อได้มือเขาทาใจให้เขาปฏิบัติทางรูปพอมปฏิบัติทางใจพร้อมปฏิบัติทางคํำพูดพอมถ้าพูดหมดู่จับได้พูดไปเรื่อยๆไปเลยเนี่ยทำไปเรื่อยๆไปเลยเนี่ย คิไปเรื่อยๆไปเลยบุหุจักนั่นอันบุหุจักเนี่ยเป็นวาเนียคันว่าหลงกระแม่ลืมกระแม่บุหุจักกระแม่โมหะกรแม่อาลิซากรแม่แมนมดแต่คนจริงคนเดียวเท่านั้นแหละให้เฮารู้สึกตัวเฮานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมาเป็นการตื่นตัวรู้สึกตัวเพิ่งเอื้อว่ามีสติกรแม่มีปัญญากระแม่มีความรู้สึกตัวกรแม่ โบลงตนโบลืมตัวกัะแน่โบลงกายโบลืมใจกันแน่น่มันจึงความว่สัว่าๆเต็มหอางหลายขวมซ้ำสู้ซ้ำสากลับไปกลับมาดังนั้นคนมีปัญญาฟังแล้วแก้ไขตัวเองยากไปแค่ตาบนิสัยเดิมเดิมถ้าหากคนใดยังเฮ็ดไปตามนิส่ดเดิมเดิมนั่นก็สแสดงว่ายัางบทไหนแก้ตัวเองเขาต้องพยายามแก้ตัวเขาให้ผู้อื่นแก้ให้ตัวเขาบ ไ, ได้ เขาต้องเจ็บเขาเคยว่าจังเสี้ยนสิมันก็งดจากผมว่าแบบนี้เพื่อเขารู้สึกหรือเปล่ามันอยากว่าเขาเบิ่งหกวนบาหวามันก็เป็นนิสัยอีกนึงยู่้จักคันเฮาววยเห็นมันอจักว่าว่าไปโรดมันก็เป็นนิสัยไปแทอแล้วมันก็เป็นสันดานไปเทอนี่แหละถ้าห้ากว่ามันอจักว่าเขาเห็นเขาก็เลยเขาสงบเแ็บนิสัยถ้ามันอยากว่าอยากคิดเขาเห็นเขารู้ ก็แปลว่าหอกแฉนิส่แก้นันนานไปเคยทําเคยพูดจังใดหอกแฉไปก็คือว่าหอกแก้ตัวเหงการแก้ตัวหงในที่บเอเทมาแก้ให้เงในเทวดาบุไแมมาแฉหงในพระพุทเจ้าเองก็บรมาแก้ฉหงแก้บอได้มีแต่ว่าให้สั่งซืง้อดังนั้นพุทธศาสนานั่นจึงว่ารู้แล้วที่สงวนไว้ไว้คนอื่นรู้กับบได รู้แล้วทำลายสักฆ่าตัวตายซะกระโ่ใดโม่ใดเที่เยมันเป็นไปตามหน้าที่ของอันจริงๆเจยงว่าทุกคนก็ต้องมีอันนี้แต่ว่าคนนั้นจะรู้หรือโบลูตอนนั้นเองถ้าคนใดโบลูเขาเกิดเอื้อนผูกทุศนถ้าคนใดรู้ ก, าก็าเกเอื้นสันปัญญาสมอย่า ง, งานี้เลยื้อพ้นเอียกว่าคันถ้าหากโยมนูเ้เขาเกิดเอื้นผาเรีย บ, บุกค้น ถ้าหากเป็นพระสงรู้ก็เกิดเอ้นพระอนิจจส่งเป็นวนนั้นแถ้าคนบุรุ้ก็ เ, เ, เกิดเอิ้นบุรุษนถ้าพระสงบรุษก็เกิเอื้นุรุนเปนการเจ้าบุรุษนจึงาแปลผู้หนาผูแนบผู้ติดอยู่ในซื่อในเสียงในลาบในยศติดอยู่หั่นแหละไปโไดขันติามาบ่มีเวลาบ่มีโอกาสที่งแอบบำเพ็ญตัวเอง เมื่อบ่มีเวลาบ่มีโอกาสไม่ได้บำเพ็ญตัเองมื่อกับว่าอยู่ด้วยทุกิดนด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกวันละหนึ่งยู่ย่างสูงกินย่างสูงนั่งอย่างสูงนอนย่างสูงแต่ทํางานอย่างต่ําคนละถ้าหากเป็นญาติเป็นโยมกระซากยู่ย่างต่ํากินย่างต่านั่งนอนย่างต่าแกล้งทงานอย่างสูง พ่เขาเช็ดไทยเช็ดนาการชื่อการขายทำการทางานเขาทําเองแต่เขาโบ้บ่อยว่างผมคิดเขาพยายามดูคมคิดของเขาผู้อื่นจะมาดูคงคิดของเขาได้บอกเขาก็ไปถึงที่สุดได้แปลว่าทํางานอย่างสูงย่างสูงคือชีวิตนี่แหลบนแม่น้ำูงอื่นนะีคือชีวิต ค, ค, คจิตคือใจมันบุทุกนี่แหลเขาชี้เห็นอันนี้นี่แนหะคืะรู้อันนี้นี่แหละอ ย, อ, อยากจรวนอื่นมา ถ้าหาเขาได้อยากรู้นอื่นมาแันวิดไปแล้วมันอยากรู้เลยเนี่ยอยากไม่รู้อยากรู้ในทางที่ผิดอยากไม่รู้คือบ่อยอยากรู้ของจริงคุเนอร์เออรอยากบอรู้อยากไม่รู้อยากรู้แต่หากเป็นอยากไม่รู้บ่อยอยากรู้ของจริงไม่อยากรู้นอัใจเขาคิดว่าอยากรู้เนี่ยเขาบ่เห็นมันอันนพ้ทธนเออร์อยากบอรู้เพราะอันนั้นมาบังแล้วมันเป็นอะไรกันทว่ามันดึงเข้าไปเลยเนี่ย มันเนเป็นอารมณ์ไปพอดีมันคิดปุบเขาเห็นมันเขาก็กว่าอยากรู้เห็นซื้อเห็นแล้วรู้แล้วมันหยุดเอาซื้อเมื่อมันหยุดเข้าไปหยุดเข้าไปหยุดเข้าไปควมรู้ของเขาเนี่มันวัยเข้าวัยเข้าวเขา้เข า, เขาอิีผมก็เคยว่าให้ฟังผมปฏิบัติตั้งแต่เช้าเย็นตกเย็นผมก็เคยหัวใจผมคิดปุกชักเสือคิดตัวอันตูวแนว คิดจิเปย์สอนทีจิเปย์สอนเทวดาทําอิ่มผู้จักทีรู้จักเทวดานีผู้จักเอาเข้ามาด้แทบันมัคิดมามาเข้ามาเขาเลยรู้จัก er ที่มู้จักเทวดาแต่เทพสอนเทวดาต้องยืนยังนั้นนั่งยางนี้เนี่ยมันคิดไปยังนั้นนี่ไปอยู่ไปเทพสอนคนต้องนั่งยางนั้นยืนย่างนี้คนเนี่ยมันนั่งคิดไปยังนี้ออกนอกตัวไปเลยเขาไปในคมคิดคือว่าเอิญว่ารู้คิด ลูคิดไปเปลเรืองเปลี่นราวไปซือบุ้ยของคิดมันลูคุมคิดมันลูคิดไปคิดออกนอกตัวไปเป็นเอ้นว่าลูคิดบุย้ยของคิดเย็นจกเย็นเทียบจะอาบน้ํามาเอียมาา น, นมาย่างไปย่างมาคล้ายๆจะมีคนมาทุก ข, ขาในโขกเนี่ยคุณอ่ะมันแสดงออกประมาณั้นคุณมันยังงีมันอยากให้ห้องโขกคืออย่างเนี้ยแกเขาหักโมโขก้มันที่ซีเนี่ยนะ ผมยังต้องหาคนน่ยนางางอยู่ผู้เดียวนีผู้ใดมันสุข้างคุณบอกมันก่เห็นมีอย่างนี้ครับตอนนั่นแหละมันแสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาออกมาอันนี้แหละค่อว่าหยาดเกิดขึ้นหยานจะว่าจะเอ้ยหยานใหญ่ต่อเนี่ยเชืยมมหากนหยานว่อเนี้มันเลื่อยแห่มือโมกจักคอนตีหัวปาใดมึงจีหัวจักอันมึงคิดอยู่เนี่ยเป็นจีว่ากันสท่มัโบกอันตัวมคิดทาที่บอก คิคั้งที่สนงอมันคลิดแล้เด้งเนี่ยคุณหลวง่จักเลยโอ้มันคลิดเด้งเนี่คลิปคั้งที่สามเนี่ยผมมาเลยมาเกี่ยวเออมันคลิดเฮ็ดคือแมวกับหนูนี่ตัวหนูมันอยู่ในหัวมันอยู่บนมืดแม่เนี่ยมันอยู่บนแจงแต่อย่าสูบเบิ้ลบึ้ลหนูเฮ็ดสาเซ่อๆริงพอดีหนูออกมาที่แม่มันโดนตะคบยางแรงปหนูมันกระดิตัวไปสอกตายเลย แมวกินหนูจะมีเลือดความคิดทอคือการก้าวให้จริงๆมันขึ้นมาปุ๊บปั๊บมันทูกขหยุดทันทีเลยครับทูกขหยุดทันทีเมื่อมันหยุดแล้วมันก็ฆ่าจะตายแล้วครับเมื่อมันฆ่าจะตายแล้วเออตายคืนนวานมันตายคืนแมวใตัวหนูมันนี้มาจับเอามาทีาเละอยู่กับห้องเห็ดหมูับแมวมาจับมันวันนี้คันตัวหนูกระดิกตัแมวมันโดนจับอีกซึ้นนี่วางไว้ คันหนูมันหนึ่งตัวขึ้นมาแมีมันโดนจับอีกทีเลยไปทางใดบ่ใดอันความคิดเราก็คือกันถ้าห้าเขารู้อย่างซี่เราผมเปียกซื้อได้อันนี้ผมให้ทางสาผมเปียบบงโอ้มันเป็นอย่างที่เฮ้ผมมันนานเลยครับผมคนเลยรู้จักประลามาลัดเลยไปเยจิตใจผมผมกาวายไปนะผมไม่ ว, ว่าผมเป็นพระได้โลดนุ่งกางเกงอย่งนี้ครับ โอ้โหนี่เป็นผขาได้เราแท้เลยน้ำหนักตัวผมร้อยกิโลผมส ม, มุดใหญ่อย่างน้อยที่สุดผมต้องเบาขึ้นหกสิบกิโลโลต์เลยโอ้แต่ในขณะนั้นผมว่าผมเบาขึ้นแปดสิบกิโลยังเหลืออยู่ยี่สิบกิโลนะเนื่องหนักจิตหนักใจผมทุกมันข่วงอยู่นะครับแค่เขาโมจกว่าผมทุกโมจกผมทุกแบบนั้นมันทุกมันตึง ม, มาครับเพร่ะอยังว่าไวคนหนึ่ง เกิดมาแล้วบ่าทาบาปจ้กเกิดทําเจบุญเอาเจ็บบุญอยู่เรื่อยผู้หันนะผู้นึงเกิดมาแล้วสิบ่เอาบุญทําได้บาปอยู่เรื่อยผู้นึง บ, บาปในมอที่ตายไปแล้วแบบนี้เขาทำบุญก็ต้องบมีเงินแล้วแบบนี้ทำเจ็บบุญได้เจ็บุญเอาเพีอยาก็เอาเจ็บุญทานั้นไป่านเจ็บุญเท่านั้นผู้เหตุบาปเนี่ก็ได้ทั้งกเก็ตมาค่ะข้าหัวข้าควายข่ า, ขาเป็ดข้าไก่ ไห้ว่าหาเจิงเก็บไปยังสันบงไม่ได้ทำบุญตเกียบบางทีตายไปแล้วคิดยันย้ไปจกนอนหลับนบาปก็เลยผู้ใบุญเนี่ยขยักได้เงินบนี้ผู้ให้บาปยักได้บุญเนี่ยไปแลกกันขาวกันไบกันเลยแย่ว่าสัจนึงไหนเนะเจ้าอยากได้เงินบ่ญอยากได้เงินเนี่ยมันรับเอาบาปที่ที่สร้างมาตั้งแต่ในน้อยคนอ่อยมัดบาปเจ้าอ่อยมัด พ่อทมีเงินในตัวพ่อยเนี่ยพ่อจะให้เจ้ามัดอันบุญเจ้าสร้างมาใจน้อยๆของเขาคนหนึ่งเอให้เอยให้มัดเลยจกหลงแหลกผ่านบุญสอคนนี้หนึ่งเคยสร้างบุญมากขามารับอบาทใหมดผู้หนึ่งเคยสร้างบ้านมากขาไปรับอาบุญให้มัดทั้งสองคนนี้ลุกขึ้นบมได้ตลอดเวลาผู้มีบุญนี่เขาเลยหนัก บ้ามันเข้าไปเต็งบ้าเต็งหัวหนักลุกขึ้นบอได้เลยเน่ยผมเ็กขึ้นทางซานนี่นกผมเต็งเพรมีบุญเนี่ยกรับพวกเคยเอออันเพรมีบุญเนี่ยกระเลยนลุกขึ้นบอดได้มันหนักเพรมีบ้ามันก็มันหนักบนีพวกเคยเบาอย่างตอนั the Gee, the the the the the the ah ้ินลมลุกขึ้นก็บลมลุกขึ้นกับลมเพราะมันพวกเคยเบาเนี่ยมันหนักใจอยู่ตรงนี้เอาเขาจะให้ตั้งไดนจะสองเนีแบ่งครึ่งกันหมด บาทเจ้าอันให้มาใจน้อยหึ่งก่าเอาครึ่งนึงสักเอาเงินเจ้านั่นให้ค่อรึ่งนึงอันบุญเจ้าให้มาใจน้อยน้หนึ่งก่ามาให้ค่ครึ่งนึงจะแบ่งเครื่งกันยู่นกรกันได้เงินไปกรรมการได้เนในบรมผู้ทําบาปก็ไปได้ผู้ทําบุญก็ไปได้คนว่าผมคํานวณดูอันนี้แหละผมคํานวณเลยเห็นจิตใจตัวเองโอ้กูก็เป็นอย่างสีนอเกิดมาจากพองแม่ เคยใช้ฐานเคยรักษาจิตเคยทํามาผม ก, ก็เคยเป็นทางการชักเชือกครับซึ่งผมก็ลบบูบรีจักเชือกแม้นจิ่มันคิดตายก็ ย, ยังคือคิดบูรืเชือเนี่ยเพราะมันเข้าไปในะมันสมองเพราะว่าโตวเวทนาทําหน้าที่ของมันโตสัญญาทําหน้าที่ของมันโตสังหารทําหน้าที่ของมันโตวิญญาณทําหน้าที่ของมันเนี่เขาเรียกวรูปตี น, นี่เรียกว่านามรูปบ้ไม่แค่ไม่ขาดเป็นสี่ ผมไม่แค่มัขาดเป็นเทวดาโตเวทนาโตสัญญาโตสังขารโตวิญญาตเป็นเองผมเชื่โมเสื้อครับอันรูปที่แท้มันเป็นดังสีสูงมันก็สูงดังสีตั้มมันก็ตั้มดังสีมันเป็นดังสีถึงว่ารูปก็มีสินมีสินรูปก็มีสินหน้าที่ของรูปมีสิทอันหนึ่งหน้าที่ของเวทนาก็มีสิทอันหนึ่งหน้าที่สัญญาสังขารวิญญาตก็มีสิทธินน นีสิ่งแต่เฉพาะตัวของมันคือตัวของมันเป็นปกติานาีคือมันมีสิ่งที่ว่าสิ่งที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหนักกิเลสอย่างยาักก็จะแก้โทสะโมหะโลภะนีสน่สันโมกิเลสตัณหาอุปาทานนิสนันโมกรรมนิวิบากรรมตัวบนญกรรมดีครับอันนี้เบาบางไปแล้วก็เห็นปรมัเลยปรามะแต่าาแของสิ่งมันก็นยังโคตรสมมติเป็นวัตถุอีกต่อไปจ้ะวะ เป็นมัตถุเป็นปรามัดเป็นอาการถ้ามันเห็นใจเนื่อดนยานเกิดขึ้นจบเป็นมหาญาณเป็นญาณใหญ่ญาณอันนี้ผู้จักเองที่มีผู้สอนกับผู้จักโบกมีผู้สอนกับู้จักโบกไปท่องไปบนกับผู้จักทดหน้าที่ของมันโบไม่ว่าโทสะโมหะโลภะวิเลสสัญหาอุปทานกรรมท่องจนจนตายก็มีประโยชน์ที่อย่างนี้ขันญาณมุกเกิดขึ้นขันบนสํสราระตัวมันเอง บริษัสำรัโตเองมันทำหน้าที่ของมันเองอันนี้แหละคือว่าปฏิบัติทำให้พุทธศาสนาจเจริญให้ลูกให้หลานเขาได้ซื้อต่อไปเพร่ะว่าต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรต่อไปถึงเป็นลูกเป็นหลานเป็นเล่ง้งเป็นหลอดให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติตามไปเพื่อมาอานสังอันนี้เขาว่าซื้อได้บ่ยมิจดว่าซื้อจาหัวกรว่าซื้อ เขาไปรักษาสินกาวาสิ่ง ๆ, ๆพขาไปให้นี่ปรันากาวาสิ่งๆมูลีมวนเดียวกันยังเลิกโบไดณเนี่ยคัมมาคําเดียวกันยังเลิกบไดณเนี่นนยแม่เจ้าไหนยังตันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เลิกเด้ของอมูลแต่ผมแค่บุกหัาใจผมเลิกตั้งแต่มือหน้าหมอดมือหนีเลยนะแต่ว่าโอเวนจินผมที่พยายามผมติดคัมโบกินโอเวนจินเนี่ท่องเป็นผู กินโอเวนตินมาอยู่หลายปีผมกี่กองเลยอะอันนั้นแหละมันรูปมันติครับรูปผันติดเนี้ยเลื่อนอะันมันติดมันต้องแก้อันนี้อะไรอย่างที่ผมกินเข้าเปอย่างมื่อแหลมมันฮอนท้องอันนี้คัดบวก้อนท้องมันกับบวกินแล้วคัดกินแํามันก็ทุ่เหลาไปเพราะกระเพาะมันน้อยครับกินแล้วมูฟันเห็นไหมผมกินเนี่นั่งอยู่ได้บวชปลอดศีกเนี่ยกินมันกระชายออกมืดทำกระชายเขาเรานํางยอนมืนหมอกเขาเหมือนนเหมืน หาอันละไมากินให้มันเผามันนั้นสื่อนี่นะครับแกโบได้แกรู้มันจะแกโบได้มันเป็นตามหน้าที่ของมันแต่ให้หัวใกไว้แกเรื่องจิตใจไว้ให้มีคุกแกได้นี่เป็นอะไรผมเคยพยายามเอาละบ้านี้ืทั้งแต่ น, นี้ต่อไปผมเจยพยายามแก้ไปเพื่อวานิบ่โให้มันมีลายแรงผมจะไปเอาโอาวัลตีนหรือเอา เครื่องมืมออะไรบอาโอเวตร์ทิกขยับท้ายคองหนึ่ ง, งุจคอนขบทไทย แ, แต่วัาดวนด้มี่มหลไทยท่านกินนมพ่อหกไปเอาน้าตงงาลกลงขาใส่ <laughs> เอาน้าตาลมาทรงใส่อโอเวอร์ทิ๊ตัดลงเลยเขาก็เป็นลมเป็นที่ทำพยับแก้ไขาปัญหาตัวเองของผมเองผมพยายามแก้พยายามพยายาเลิกพยายามพูดธรรมะนี่แหละพอเวลานี่พอให้ว่าใกรไก่เขาที่ออกในปาแล้ว อยากให้ทุกคนเนียพยายามเทมงวดตัวเองในาการแก้ไขตัวเองปฏิบัติตัวเองช่วยตัวเองของจะได้สอนคน บ, บัตเพื่อถึงตรงนี้ผู้ใดจะให้สอนได้สอนเทารู้จากรูปนามกันให้เขาสอนให้เขาเจะเอาจากเรื่องรูปน้ำผู้ใดผู้จากขั้นปราม็ให้สอนให้เขาเจ้ะเอาจากขั้นปรามะผู้ใดผู้จากหอนยันเลยสอนให้ผู้จากขั้น น, น้ำ ยังไปนตอนล่วงเกินไปซึ่งที่เขาบงูถ้าหากเขาตอนล่วงเกินไปซึ่งที่เขาบงูเนี่ยของจีนเลยไอ้จีนบุจักบางทีเขาจะคิดของจีแก้์บอดาเลยคันทําคิดสอจีแก้์บอดายเลยเพเขาบงูุจักเนยตอนจีนกุจักจริงๆเนี่ยมันเข้าสู่สภาพของมันคุณได้ครับในกุจักเยอะไปคือผมว่านะเสื้อมันตัดโตกลางตัดมันเข้าสู้สภาพขนาดนี้บางที่เขาเข้าสู้สภาพขนาดนีมันเห็นเนี่ยครับโอ้ อันนี้มันทําหน้าที่อันนี้อันนี้มันทําหน้าที่อันนี้มันหูจักอ่างนันครับบันนี้คันเฮาขาดัดพุ๊บตอที่เราเขาจะไปติดขลุกุกโบแมนเนี่ยครับผมติดไปได้ด้วยผมไม่เคยเติดเลยครับผมอ้อยติดไปอย่างที่เราเกิดมาอย่างน้อยผมว่าผมจยากสาดสี่ห้านาทีแตติดเนี่ยมสุกมันคิดจะเล่นหัวเสืออ้ยโบได้อันนี้ กลับมาทวนอารมณ์เตี้ยตนทวนไปทวนมาทวนไปทวนม า, นมายมันเป็นอารมณ์ปัชนาแบบนี้เกีเ่นอันนีเป็นปัญญามันได้ไปเขา้าตัวปฐมศ า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาสูตศาตตินาตรจัตุทศารปัญจมาศาสตร์ปมศาสมีองค์ห้าประมวลมีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมเอกราาตรเป็นวางของตำลาวาได้เนี่ยปฐมศาสานไปว่าเหตุมีอย่างจะมี เช็นตัวเห่านี่แหละประทบในเบื้องแรกครับทุกตีไปว่าครั้งที่สองตัดตีไปว่าครั้งที่สามเช่นนี้จัดตัวไปว่าหลวครับันจ่ญญาไปว่าพร้อมด้วยขันห้าคือรูป ก, กับพร้อมกันเวทนากับพร้อมกันสัญญากับพร้อมกันสั้งคันกับพร้อมกันดีงานกับพร้อมกันทุกบัดเดียวขาดปุ๊ออกจากกันทีสื่เพราะนั่นสื่อเนี่ยนะมันไม่ของยากได้ครับ นายที่สุดแต่ว่ายากที่สุดเลยว่ายากจริงๆยากข้อหาโบราณที่แบบงายที่สุดเลยก็คันเห็ุแล้วมันระบายมันจะแล้วๆนี่นะเป็นว่ามันล้างมือแล้วเนี่ยครับเจังหวัดศาสตร์สิ้นทบสิ้นทบมาจากยีโต๊ะิดอื่นไม่มีคิจธุระกี่ไปศึกษาอย่างอื่นบนต้องไปศึกษาเพราะมันจบกันแล้วเรื่องสี่ดิตนี่มันจบกันตอนนี้เพท่านสอนอย่างนั้นท่านก็จเจ้าสอน แล้วเขาเนี่ยไปเรียกแกตำราคุณนด้ทำบุญอย่างนั้นได้อนิสงส์เท่านั้นกลับสายและไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นแต่เกิดเป็นเทวบุตรไปอย่างนั้นแต่เกิดเป็นพระอินพระพรมอย่างนั้นแต่เกิดเป็นมุสตะวัอย่างนั้นนี่แล้วคนมีกิเลสจะากไปเกิดเป็นเทวดาได้ปัดนี้เขาเห็นว่าคนมีกิเลสเขาบูฮู้จักว่าเขามีกิเลสอยากไปเกิดเป็นเทวดาไดผมก็ได้จะได้มี่อไรคนเนี่ยเนี่ยใช่รับ อันนี้คนมีกิเลสมาสอนกันให้มีกิเลสได้มากินสลัดได้อย่างไรก็คนโง่สนนมาสอนนี่คนโง่ไปกินสนะผู้ชายผู้เดียวมีเมียตั้งห้าร้อยคนแล้วคนในบ้านในเมืองเขานี่กรุงเทพมีเมียเขาสองคนสามคนผิดกันอยู่ที่มืออันนี้ขัมีเมียห้าร้อยคนในทจะอยู่ได้อยู่ได้กินไม่หยังมาเดียกว่าพี่หนูที่ไปหันเนะ่ยที่มานี่นะไม่เรียกว่าคนน้นก็เข้าไปบอกคนละของผู้ชายมีผัวนี่เป็นผัวนี่ผู้หญิงที่ไปใส่กันจะไปบอกผู้ผัวจังหวะ แล้วที่มีเวลาได้หลักได้นอนอมันก็ตายไปแล้วก็จะตกนรกทางเต็มเนี่ยอันนั้นเรืกกมม่เหมือนนรกนะครับผมต้อเข้าใจว่าเหมือนนรกกับเหมือนสวรรค์นะครับคนมีกิเลสมันก็อยากไปเป็นเือสวรรค์อยากได้มีอะไร้นเป็นอะไรเนี่ยผู้หญิงคนเนี่ยบูรุษจักไป็อย่างเนี่ยเขาว่าจะกป็เสื้อไปได้แบบนี้เป็นะคัะกของจะกลายยักไปเป็นนางเทวดาจะเป็นหุ่เสิดคนเนี่ยมันที่สวยที่งามไมันยังเป็นเหมือนนรกเลยเราไปกุมผิด ไม่เที่ยงกันกลุ่มปั้นเขาอยู่องสวรรค์คุณ่าโมลูตกมาฮอตพื้นดินพวก น, วกนคอหักตายแล้วแน่น่ะแล้วพันฮอดเหมือนซีมันซีดซอตายมาที่ที่ใดหูหมูอยากแล้วนี่แล้วกหาซีอยากใส่ให้ยังบนสวรรค์ผมแล้วพวอายากใส่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาจะทำมือนี้ผมไ่อยากไส่เลยผมยังยุ่เมืองคนนี่แล้วเ็นไทเฮตนายยุ่งน้ำมูนน้าเพื่อนว่าไป่ั้งซีแล้วผมผมไม่อยากไสได้แขกผมไปอนสวรรค์ตั้งแต่เมื่อนั้นมาผมไม่อยากอ่านเจอ โอคนนี่มันบูฮู้จักมันสอนกนคนบูรู้จักต่อคนบูฮู้จักมาสอนกันมาจีบฮู้จักยังไงคนโง่มาสอนคนโง่มาจีบสลาดยังไงพระพุทธเจ้าพยายามสอนคนโง่ให้สลาดขึ้นมาเป็นวันกันสอนคนทำผิดพูดผิดคิดผิดแค่เข่ากลับขึ้นมาให้มันถูกต้องวันเป็นวันกันและสอนคนมีทุกข์แค่เข่าหมดเป็นวันกันผิดบอหับ มีลูกมีเมียสองคนทุกบ่ขับมันทุกอันน่อเนว่าซ้อนเขาแยเขาเป็นยังสั้นเราจะเป็นไงเรียบบทสดอย่างสอนนี้แต่เขาเป็นซ้อนให้เป็เกิดนบงสวัสด์ไเป็นเทวดาคนได้เป็นอย่ไรนี่แหละมันพิายฟังเอ้คนนี้บนมังจีหุ่นจักมันบ่มีงานเกิดขึ้นมันบ่มีปัญญาแต่ความจริงมีอยู่ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเนื้อหาทีเอาเต้นเอาความคิดก่ไปรุงไปแต่งออกหน้าไปแบบ โตปัญญาทแท้ๆโตสัญญาเนี่ยมันนั่นนาหลักมาไปเลยทุกครอบหงมโยนเสียคายคายคือของที่ควบมน้าอยู่นี่นะเมื่มีผู้ใดามาง่ายน่าขึ้นจากเสื่อ ง, ง่ายน้ามันขึ้นมาของทูกปิดไว้บปเนี่ยเมื่มีผู้ใดามาหั่นเขียวจากเสื้อไปเนี่มันเป็นอย่างไัเนี่ยเกลียวรถมันอัดแน่นเนื่อเสียเม่มีผู้ใดามาไม้จากเสื้อหั่นเข า, าจะตันแนทท่านได้ก็บอว่าแน่ทยันลถมันคลอนมันอย่างอันคนนี่ก็คือการ ขันมาสอนเขจริงๆแต่ว่าย่านโยมหมดศรัท ธ, ธาเนี่ยย่านโบได้กินเขาเหมือนกันหมดศรัท ธ, ธาทําให้พุทธศาสนาเตรียมเจะโบแมนนี่อันเว่าวอยู่เดียวดีนี่แหละทําให้คนมีศรัทธาผู้ที่มีปัญญาอันว่าวอยู่เดียวดีนี่แหละทําให้พุทธศาสนาเจริญคนจะได้ดูของจริงเนี่ของจริมงมันก็ะส่งเข้าวัจถะเนี่ยอันนี้บทสอนของจริงจะเรียก ว, ว่าเจ้ของโบจริ่ง น, นั่นแล้ว เราจ้ของโบจิงเจ้ากระว่าของโบจิงคุอองยกระว่าของโบจิพ่อคําว่าของโบจิงให้ลกฟังลูกกระว่าของโบจิงให้ลกฟังมันก็ติดต่อกับของโบจิงทั้งหมดก็เลยบจมีตกจริงยากถือเนี่ยมาที่มีของจริงได้จากไหนยังั่งมันกระโบจริงแล้วเปนว่าตัวตัวเองตัวผู้อื่นโผหกตัวเองโผ ห, หกผู้อื่นเนีลอกลวงมันหน้าไหว้หลังลอกมันเนี่ยเนี่ยเป็นบอกมาตอนนีน้คนหัวเลาะประจก ผลว่าว่าหลายอย่างเผนว่าหลักสูดนักธรรมสังตูขึ้นบทแรกที่สุดทำที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างหนึ่งสติคมะลึกได้สองสำปาสัญคนรู้ตัวมันระลึกได้จังใดอย่างสันมันรู้ตัวที่ไรอย่างสัยยง น, นมันบวมแน่นมั น, อ น, น, นมนอซื้ซงๆยาวาที่มาไหวปะนับมือแหะครับแต่นี่จะออกอันตราที่พยานยไาหวตัวกเขาเข้าใจ ขับเนื้อกับตัวเขาต้องพยายามพูดกันดีๆถ้าเขาพูดคํำยากหายไปนคนก็นเลิกคํำยากคาหายคําที่บอดีก็เลิกว่าคำยากกันอยู่กันเลิกมั่นทักทายเข้าเจ้า่าโยมมาเป็นยังไดโยมมีคนทุกข์คนเดือดร้อนยังไดโยมมีคนทุกข์คนล้อนยังใดจะไปเป็นย่างใดโยมให้ตั้งจิตตั้งใจดีๆจิตใจของเขาชีวของเขามันบุญทุก อนโยมมาทุกเดี๋ยวนี้เนี่ยโยมคิดเอาโยมคิดเอาผู้เดียววันโยมมาทุกอันตัวจิดตัวใจโยมจริงๆมันบดทุกดอกโยมคิดเอาชื่อชื่อวันนี้เขากว่ากับพระกับเมรเขาไปย่างได้คุณมื่อนี่ให้เห็นแล้วต่อโบต่อกรณีขึ้นมาดีขึ้นมาเลยอันนี้เพื่อเอ่อการนิวัฒพัฒนาตัวเองนั่นเป็นอย่างสั้นเลยงารพัฒนาตัวเองนี่พัฒนาหลายอย่างพัฒนาการนั่ง พัฒนาการกล้าการไหว้พัฒนาการยกมือยกเขายกมือไหว้ตัวเองไหมครับบ่าไม่ยกมือไหว้ผู้อื่นไหมกาเห็นคนยกมือไหว้เขาเห็นเขาเฮ็ดนี้หรือเขาเหตุซื่ให้เขาเบิ่งที่แตก่อนอันนี้เขายกมือไหว้เห็นบาคนยกมือไหว้ยกมือไหว้เห็ดซื่อเนี่ยว่ามีประโยชน์ได้เข้าใจบรได้เฮ็ดนี้เอาใจเฮหตุในปัจจุบันเอาชีวิตเหตุคุณีนจังว่ายกมือไหว้ตัวเองท้ ให้ยกมือไหว้ผู้อื่นให้เขายกมือไหว้ตัวเขาโอ้กูนี่มีดีปานนี้เด้ออาจารย์ให้เขาเห็นใจเขาว่าใจเขาดีปานนี้คุณได้ครับอย่างยกมือไหว้ตัวเองนี่มู่คนไหว้ผมหลายคนเนี่ยบ้ายกมือไหว้ผู้หญิงญาตโยมมัก็ยกอ้าวไ่ได้ยกมือไหว้ขับเจ้านะยกมือไหว้ว่าตัวเองมันมีดีขนาดนี้พี่นะผมเข้าใจอย่างสีน่าจะก้อนผมเพว่าเห็นผมดีอย่างซีนะาผมเห็นคุณดีความงามของผม ทรก็ยกมือไหว้ตัวเองของผมคนว่าเพื่อนไหวยังสันคือๆนี่แหละคนวะพระค่าว่าโตไปว่าโชคดีคนว่าโชคดีแล้วเขายังมีชีวิตเขายังได้ไหว้ตัวเองคันโชคบ่ดีที่มีบบชีวิตกับตายเนาเขาหลกับบ่ได้เห็นแถวบ่ได้เห็นชีวิตผิดหลายตัวเองแล้วก็ทําผิดพูดผิดคิดผิดกับบศศ่มีความสุขจะเคอะแต่นี้งคันบ่มีความสุขที่เป็นประโยชน์อี่เนี่ยก็ตู้มากขี้เงินบ่ได้แล้วเนี่ยไเป็นอะไรมาขี่เงินบ่มินมันบ่มีขน มันนอนอยู่บั น, นี้มันหนาวสั้นวอกๆอย่เขามีข้อหนัวไปโยนให้มันตุก๊กมันตื้นมันหนื่อซทรัเนี่ยขันมันขึ้นมากลับมากับม า, บมาอดีตขยันขยนัขย น, ขยนเหมือนันนอนเต็เพิ่นหักเขาเพิ่นสอนเขาเขาเกิดบุคลาภาว่าเพิ่นไวให้เขาอยินเนี่ยมาที่เพื่นมันเป็นอะไรความคิดจิตใจคนตั้มซาเลวทามมันคิดจังสั้นฮ่าฮ่าวคนมีสติปัญญาเพิ่นบอกเพนสอนต้องเขารดนักพื้ เพิงจังว่าผู้จักบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกนี้ผู้จักเคารพตนเองอันนี้เหมือนเ่็ผู้จักเลยพอฆ้าลูกกมีเนี่ยครับเอาปืนไปหญิงผู้พ่อตายไปเดียวนี่ครับเป็นเอลซันได้คนเนี่ยครับมันจีนไม่คนเนี่ยครับจะเป็นคนได้่ยเดี๋ยวนี้เขาจะได้เป็นผู้ใหญบ้านเนี่ยครับพอเลยเฮมันเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านกับเป็นเอลซันเนี้ยครับหมดแล้วฆ่าพ่อตัวเองแล้ว แล้วก็จินแต่เจร้านั่นแล้วจินจเจร้าเข้ากับความขมูที่ตัวนั่นแหละเป็นข้าว่าข้าพอตัวเองแล้วกลับคืนมานีบสร้างตัวเองให้มันดีก็ดีครับคืออย่างพระเจ้าอสสัตตสตูนั่นแหละครับเป็นไหวสั่งพ่อแม่ไหวฟั่งตกอยู่ในนรกพอจังเดียวนี้นี่พระเจ้าอสสัตตสตูจะเป็นว่าตกอยู่ในนรก จะสร้างโบสถ์สร้างสิ่งสร้างวิหารสร้างปุตติให้ว่าพระเจ้าอาตมาศัตรูสร้างามัดในประเทศอินเดียคุณบา้าพ น, นันยังครอบงำอยู่พอปานสิ่งแบบเดือดสาบมันหนาวนะั้นในนรกมั น, ม, นมันมันอุ่นพอปานนั้นว่าแต่หมือนโบห้อนไหลพอปานสิ่งแดดอุ่นเดือดสาบว่าแต่พอแมวไว้ฟังพระเจ้าอาตมาศัตรูไปจกจมนอยู่ในนรกจะคนกบวยเห็นหน่อเพราะกระชิววัดซื้อต่อกันมาชื่อนี้แหะ มัเป็นอาการอันนี้ก็คือการให้หอกู้จักเคาลบนับถีโตเฮาให้หอกู้จักเคาลบนักทีพ่อแม่เฮาให้เหากู้จักเขารบนักทีครูบาอาจารย์สอนเขาทุกคนทุกู้จักกันแล้วก็ลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กับครูศิษย์อันนั้นแล้วคนว่ายู่โดยสอบปฏิบัตาาิตามพระธรรมดีไหนแล้วควมสุขกระโบบางที่หายไปใสมันก็มีไม้เฮานี่แล้ว จนทุกมันก็เกิขึ้นมาบุไดแล้วก็การทำคุณต้องเละที่ได้ให้้อจิตเปลนเครื่องเปลียนจิตกัิตใจไม่ได้สมควรแล้วท้ายที่สุด yani right นี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆและญาติโยมมาหน้าฟังธรรมะยืนับสถานที่นี้อาตมาขออ้ายเมื่อมาตั้งคของของของสมเด็จตั้งมาสมเด็จเจ้าและคุณของพรลันตาตาบวกอาตมาสำจะมาเตลียนจิตกสบิตใจของพวกเรา ให้พวกเราได้รู้แจ้งเหตุจริงตามความเป็จริงอย่างที่พระพุะทธเจ้าสอนไว้ครั้งสุดท้ายว่าทั้งหลายเราผู้เป็นสถาคตติฏฐิแล้วแห่งนั้นแล้วจึ่งนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้ทงหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตที่ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เป็นทแท้ๆอันเรื่องจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจ บ, บริสุทธ จิตใจเป็นปกติจิตใจคลองใสใจิตใจว่องไวสามารถตัดสิในได้เพราะมหานาฬเพราะญาณใหญ่ที่สุดเป็นปนนัญญาญาณอันต์เสวนออาญาของพระพุทธเจ้าเขาไม่ที่เห็นเทระเล็กอน้อยกระดึงเรื่องว่าเห็นเทระเล็กอน้อยไปพอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเผาในชีวิตนี้เลื่อนเวลาอันใกล้นี่จงพบทุกคนสาธุ